ก็ต้องฟังทรรมก่อนเนาะหลังจากท ร, รมามจบก็พูทธรรมะสู่กันฟังเป็นฤกเป็นโอกาสพอเหมาะพอดีเราก็ได้สาธยายทรรมเป็นบทฉวดมนในเจอคำสอนที่ดีๆ <c oughs> เรานำมากล่าวมาสาธยาย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 ชัดเจนในการศึกษาบ้างไม่ใช่โง่เง่าเต่าตุตนใน ม, มากมายคำสอนมีวิธีคาสอนกันหลายอย่างในประเทศไทยหลายครูอาจารย์ที่สอนโดยเฉพาะวิชากรรมฐานจนมาถึงยุคหลวงปู่เทียนประมาณหกสิบปีมานี้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 ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระธรรมเวนัยเป็นองศาดสดาแทนพระพุทธเจ้าพระธรรมเวนัยก็จะรูปลงมาก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาเราก็สามารถศึกษาได้ ออกมาสินสมาธิปัญญารสรูปลงมาอีกเหลือมีเพียงหนึ่งคือมีสติสมชัญญะจึงจะเกิดเป็นศินเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาได้สติสมชัญญะขอให้เกิดศินเกิดสมาธิเกิดปัญญาศินสมาธิปัญญาขอให้เกิดธรรมวินัยเป็นรูปแบบแสดงออกทางกา ย, ายกรรมวิจิกรรมโนกรรมเป็นภาพ ทฤษฎีเป็นภาคปฏิบัติที่เป็นธรรมวินัยการนงห่มผ้าการขกการฉันการข้อห้ามข้ออนุญาตทำรรวินัยก็รวมวเอาอีกเป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาก็รวมลเอาอีกเป็นสติสมัชัญญะนี่คือความเป็นจริงใครจะศึกษาแบบไหนก็ได้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 เรามีสติสมชัญญาธิแต่พอภา พ, พปฏิบัติตัวกายเคลื่อนกายไหวเห็นใจบันชิดมันนึกรู้เท่ารู้ทันอ่าที่ตั้งใจรู้สึกตัวอยู่นี้เราก็ไม่ได้ทําความชั่วไม่ได้คิดชั่วไม่ได้พูดชั่วมันก็เป็นสินเราก็ใส่ใจที่จะให้เกิดความรู้สึกตัวอยู่เรื่ อ, อ, อนๆการใส่ใจการใส่ใจสิบสี่จังหวะสิบสี่รู้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 ตัวเราทั้งหมดนวัตธรรมก็คือปล่อยกุศลเราก็เว้นความชั่วทำความดีจิตบริสุทธิ์วปนในก็คือความเป็นไปโดยความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางกายกรรมไว้กี่กรรมมโนกรรมเรียกว่า ทำของที่น้อยให้มากทำของที่มากให้น้อยนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้า ก, า ก, ก็สอนแบบนี้พระองค์เปรียบเสือสอนของคำสอนของพระองค์เหมือนใบไม้ทั้งป่ามากเกินแต่เอามาสอนพวกเราเหมือนใบไม้กับมือเดียวเราจึงมีการศึกษา ที่ท่วนทั่วก็ว่าได้การเจริญสตินี้ันก็คือมีกายมีคิดเราก็เห็นมันอยู่วิธีที่ปฏิบัติก็มีสติเข้าถึงความรู้สึกตัวเข้าถึงความรู้สึกตัวให้มันลัดลัดตรงตรงเข้าไปอย่าไปพึง่งอย่าพึ่งไปหายไหละเอียด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 ใ น, นตัวหลงตัวรู้ก็หันหลังให้ตัวหลงทันทีแต่รู้มากความหลงก็น้อยลงแต่ร <c oughs> ู้มากที่สุดความหลงก็หมดไปอนั น, น, อ น, น ม, ม, ม, มันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมเมื่อความหลงมาหมดไปมันเป็นยังไงมันก็มีความกระทบไปถึงความโลภความโกรธไปกระทบไปถึงปัญหาต่างๆแก้ปัญหาต่างๆ เกิดความสงบร่มเย็นไปเลยส่วนตัวเราก็เป็นส่วนรวมไปเลยเราเรามานับหนึ่งจากตัวเราทุกคนมีความสงบคอยดูแลตัวเองอยู่เสมอมันก็สงบไปทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าศึกษาเรียกว่าย่อมาดู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 มันพยาบาทเห็นมันพยาบาทมันเกิดการมราคะเห็นการมราคะมันเกิด <c oughs> ดังเลสงสัยก็เห็นมันเกิดความคิดโผงผ่านก็เห็นกลับมาหาความรู้สึกตัวมันก็ผ่านเวทีผ่านสนามลงสนามลบกับบันนั่นลบกับบันนี้ แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวลู่ลู่เห็นลู่เห็นกลับมาสร้างตัวลู่กลับมาสร้างตัวลูลาอว่ า, ว ก, าการสร้างตัวลูกมันมีฐานมันมีกรรมมีการกระทาแล้วกลับมาได้ทุกคนมันจะเป็นอะไรนอกจากความรู้สึกตัวแล้วก็กลับมาโดยเฉพาะสติปัฏฐานรูปแบบของกายปพัพภะสัมมัชัญญาปัปภะกิจปัปะ วัฏภาคคือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของกายการเคลื่อนไหวของจิต <c oughs> การเคลื่อนไหวของจิตก็คือมันคิดที่ไม่ได้ตั้งใจ ก, การเคลื่อนไหวของกายก็คือยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมีกันทุกคนมักจกเห็นเหมือนเหมือนกันเห็นตัวหลงเห็นตัวรู้เหมือนกันเห็นควา ม, มงงเหงาเห้านอนเห็นความลังเลสงสัยเห็นความคิดฟุ้งซ่าน เห็นพยาบาทเห็นลาค ะ, ะเห็นความรู้ความโกรธความหลงส <c oughs> ิ่งที่มันเห็นต่อหน้าต่อตาก็คือเห็นกายกายก็คือของจริงที่เอามาเป็นวัสดุอุปกรณ์ผิดห้เกิดความรู้เอากาย ม, มาสร้างความรู้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 ขีดความรู้สึกตัวเอาความหลงมาเป็นความรู้สึกตัวเอาความโกมรกมธมาเป็นความรู้สึกตัวเอาความทุกข์เอาความสุขเอาความโม่งเหงาหอนอนมาเป็นความรู้สึกตัวเนี่ย <c oughs> จึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติคือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนลายมาเป็นถูก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 เราหลงเราก็รู้เราก็เปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้แล้วนะนมันจึงจัดเจนชัดเจนจัดเจนไม่มีเะไจะมั่นคงเท่ากับการจเจริญเสถียรเอากายมาเป็นวัสดุอุปกรณ์ผลิตมันออกม า, า <c oughs> เราความจริงมาศึกษาเอาของจริงมาศึกษาเราก็เห็นเห็นเหมือนเหมือนกัน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 ผู้ศึกษาปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นเหมือนกันหมดทุกคน่ะเป็นอัศจรรย์ตามสมควรเจ่ผู้ปฏิบัตินี่แหละของกิจเราให้ถึงตัวไห้เริ่มต้นจากจุดนี้อย่าไปคล่องไปแวะคำสอนของครูบาอาจารย์มากมาย สือตำรับตำลาโอ้ ย, ย, ยเยอะแยะไปหมดเลยอเอาแปรออกไปแปรออกไปคัดออกไปจากสูตรพระอภิธรรมพระวินยัยในหนังสือพระไตปิฎกจะเอาไปพูดอย่างไรจะไปทำอย่างไรของคนเอาไปเป็นการบุิกรรมเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ลิถีปฏิหารเช่น ย, ยอดพระไต ย, ยอดพระไตรปิฎกยอดพระปฏิโมก อุทิศวิยติอาญตัดจะอภิตัดจะสวิตตัดจะสวิเลขีตันสะเอาเป็นเอาไปเป็นคาถากันปืนนะมันก็เป็นแบบนัน้นคาถาองคุริมานยะตัวองปะกินีริยะยะชาทิยาชาตโพธิเอาไปเป็นคาถาทําให้เกิดเอาคนออกลูกได้หลวงพ่อเคยใช้สมัยเป็นโยม ดิแท้เป็นคําสอนต่อมาทําลายกิเลสแต่เอาเราก็เอาไปทําอันนั่นสัพตตาปฏิโยโลเจมิสัปตาปฏิโรเจมิสัปตาปฏิโยโลเจมิสัพพะคุลนานาัตถุก้โยปะเจนเกตุมหมเรวเตเสบิเป่าตาแดงพุดลงไปตาแดงหายก็ใช่กันไปหลายอย่าง ก็เอาไปจากคาถาพระพุทธเจ้ายึดมันถือมันบางทีก็เป็นไปตามอุปทานที่เขายึดเอาวัเนี่ยมาศึกษาเพื่อความหลุดพน้นอะไรที่มันเกิดขึ้นมาให้รู้ให้รู้เนี่ยไปทางด่วนด่วนไดก่อนเอามาเป็นเรื่องวิมุตตหลุดพน้น ไม่ใช่ศึกษาเพื่อเจ้าละทิเพื่อเป็นใหญ่เพื่อพวกพงบริวารเพื่อลาบสักุะเสียงเสริญเยินยอเพื่อวิมุตต์หลุดพ้นต่างหากพอมันหลงก็รู้พ้นจากคมหลงพอมันโกรธก็รู้แตรู้แล้วคมโกรธก็โชว์ไม่ได้แต่ตัวลูกเข้าไปขี่คออะไรมันก็กลายเป็นตัวลูกทั้งหมด เรียกว่าปฏิบัติคือเปลี่ยนเล่ยเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เนี่ยปฏิบัติมันต้องเป็นอย่างนี้จชิงเจเรียกว่าปฏิบัติจึงเจเรียกว่ากรรมฐานจึงเจเรียกว่าลีขิตชีวิตกรรมจำแนกไปไม่ต้องไปทำมันอื่น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 คว า, ญญามโลภความโกรธความหลงกลายเป็นปัญญาความละความชังกลายเป็นปัญญาความงงเอาหัวนอนกรกลายมาเป็นปัญญาเป็นสติสมชัญญะเนี่ยผู้สอนก็มั่นใจเขมั่นใจก็ไม่ต้องกลัวอะไร เรจะบอกความจริงอยู่แล้วความเท็จอยู่แล้ว ท, ท, ท, ทุกคนก็ทุกคนก็เห็นความเท็จทุกคนก็เห็นความจริงทุกคนก็เห็นความหลงทุกคนก็เห็นความรู้ทุกคนก็เห็นความโกรธทุกเห็นทุกคนก็เห็นความไม่โกรธลองศึกษาดูมันจะเป็นไป เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพพานการศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ใช่เป็นไปเพื่อเข้าโลกเข้าพงุงเ ร, ร้าซ้องความรู้ได้หนังวันพอมันหลงความรู้ชัดเหลือเกินเห็นความหลงนี่ชัดกว่าอย่างอื่นตรงกันพอดีกับ ค, ความรู้สึกตัวเดีวเราไปหาอะไร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 หูกับตาทำไรกับมือเรานี่จึงค่อยจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วใครสอนแบบนี้ในยุคนี้สมัยนี้ผมพ่อก็ไม่เคยเห็นใครสอนเห็นแต่หลวงพ่อเทียนสอนแต่ก่อนก็ทำสมถะทำสมพุทธโทรบริกรรมพุทธโทหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมเข้าไปหลับตาเข้าไปให้มันนิ่ง บังคับให้มันสงบพอสงบแล้วมันก็ยกตนออกจากความสงบได้ยากเพราะมันมีอาสาธะมันมีความสุขสบายมันก็ติดจะเข็นตัวออกมายกกิดขึ้นรูนมันก็ยกได้ยากเหมือนคนถูกความง่วงเหงาห้งนอนคอกง่ำอ่อนแอไป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 ก็ไปสอนกันนะสอนกันมากที่สุดคือวิธีแบบนี้วิชาแบบนี้กันทุกกวนเดี๋ยวในจังหวัทุกกวนเดี๋ยวนี้นเขาสอนอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองบ้านเหล่าพลทองของพ่อก็ไปอยู่นั่นกลับมาเมื่อวานนี้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 ให้ถึง ส, สุดยอดของการศึกษาที่วัดป่าสันติธรรมอำเภอปากชมก็ ร, รวมกันอยู่ที่นั้นสี่สิบวันปฏิบัติเข้มแต่ใครอยากไปก็ไปได้ริงค่อยกลับมาเข้าพรรษา มาเข้าภญษาเราพวกเราก็มาปฏิบัติต่อไปอีกมาสอนกันอีกนะพกเราไม่ได้พูดแต่ปากพวกเราก็ทำกัน น, ะนอะไรเล่าที่เราจังข้างขาจิตใจเราอยู่เห็นความหลงไหมเห็นความทุกข์ไหม ที่มันเกิดขึ้นเกิดกายกับใจที่ไม่ใช่สติเห็นมันไหมแสดงว่ามีการบ้านเราเคยเปลี่ยนสิ่งเราเน่ไหมเปลี่ยนได้ไหมเคยเพี่ยนตรงเน่ไหมเราปล่อยปะละละเลยไหมอะไรที่เราทําให้ดีกว่าเก่าลงพ้นภาวะเก่าๆมีบ้างไหมพอมาปฏิบัติในโถมันเป็นงานเป็นการเป็นขบเป็นคำรร ถ้าสติเนี่ยลู่ที่หนึ่งเหมือนเงินบาทก็เจ็บเอาเก็บเอาเจ็บเอาเจ็บเอาชั่วโมงหนึ่งได้ตั้งสามพันหกร้อยบาทถต่ลู่ทุกลู่ทุกลู่ทุกลู่เนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นแก้วสารพัดนึกเหมือนวิชากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรตามรูปแบบของการเคลื่อนการไหว <c oughs>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 คำตอบที่ได้ตอบได้จากความคิดเป็นสมมุติบัญญัติคำตอบที่ได้ประสบพบเห็นเป็นปรมาจิัจะเขี่ยเห็นความหลงสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นคำตอบที่เป็นปรมาจิตจากความหลงคือมันเกิดขึ้นตอบไปด้วยเหตุด้วยผลต้องมีสติต้องมีสติมีสติหรือเปล่าหรือเป็นคำพูดเป็นสมมุติ ทองเอาจำเอาเป็นภาษานกแก้วนกขนทองไม่ใช่นี่คือการปฏิบัติธรรมทุกคนก็เติบโตไปด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ใช่เป็นอนุบาลวิชากรรมาฐานบางอย่างเป็นอนุบาลยี่สิบปียังเป็นอนุบาลอยู่ ผมพ่อเคยไปสอนธรรมที่ประเทศมาริเซยแต่อยู่สำนักหนึ่งลูกศิษย์พาไปเยี่ยมสำนักปฏิบัติธรรมของอาจารย์มาจากพมา่าอยู่ในป่าลึกอราไปขึ้นไปกติอาจารย์อาจารย์ก็อยู่ในห้อง โยมที่พาไปรู้จักกันกับอาจารย์ก็ไปเคาะประตูเรียกอาจารย์ว่ามีพระไทยมาสอนกรรมฐ า, านที่ประเทศสิงคโปร์มาแวะเยี่ยมที่ประเทศมาเลเซียเคาะประตูเรียกอาจารย์ลงนั่นก็ค่อยๆเปิดประตูแย้มออกมา ค่อยย่องมาหาหลวงพอ่อคนนั่งไม่ไกลประมาณสักอ่าเม็ดหกเม็ดเนี่ยที่นั่งท่านก็ค่อยย่องออกมาย่องหลับตาปีย่องออกมย่องออกมาแล้วก็มานั่งค่อยๆนั่ ง, ย, ง, งย่องลงค่อยๆเลื่อนตาขึ้นค่อยๆ ย, ย, ยกมือครับอ๋อ พอที่จะพูดได้คำหนัง่งท้าแต่เดินออกมาจากกระตูมาเนี่ก็ใช้เวลาไม่ค่อยไม่น้อยแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือการปฏิบัติจะต้องชอบปานั้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราจะทําอะไรได้จะไปทําอะไรเป็นอาจารย์มันควรที่จะ เป็นผู้คงเก่เรียนเป็นปริญญาบ้านวัยพวกเก่าอยากจะปริญญาลูปัดไปได้แล้วติลักษณะปริญญาแจกแกงไม่เหลื อ, อเลยเลยถ้าไม่กีเลีก็เหลือศูนย์ป๋าน้ปริญญาทําให้มันหมดไปความโกรธหมดไปความหลงหมดไปความทุกข์หมดไปอาศารศึกษาเนี่ยมันก็มีปริญญาคือชํานาญ ไม่ใช่จะไปหัดเขียนกอไก่กไข้อไข่ไม่ใช่เหมือนกับเราเรียนหนังสือก็ได้ก็หัดเขียนค่อยขคอไก่แตวนี้ไม่ต้องค่อยแล้วกอไก่ไม่ต้องไปดูก็ดามนมาเขียนลงมาเด๋ยวยาตะประินยาความรู้ไว้กว่านั้นเขา้าไปแก้ความหลงไว้กว่านั้นเข้าไปแก้ความโกรธไว้กว่านั้น มาก่อนมาก่อนมาก่อนความรู้สึกตัวมาก่อนความรู้สึกตัวมาก่อนถึงไวถึงไวถึงไวไวเหลือเกินไวกว่าเสียงไวกว่าเสียงความรู้สึกตัวเอาไปมาไม่ได้อะไรมันก็อยู่ตรงนั้นแหละทำไมใหม่ก็มีกายมีกิดทำไปทำไปมันอยู่ด้วยกันมีกิจดูกิจมีสติดูสติ มีกิดดูกิดหลวงปู่เทียนบอกพวกเราสอนพวกเรามีสติดูสติเอ้ามีสติดูกิดเอ้ามีกิดดูสติเข้าไปเขาไปมาเป็นอันเดียวกันเลยของที่มันเป็นหนึ่งเดียวจะต้องไปทำอะไรจะต้องไปคอยไปทำอะไรมาอยู่ด้วยกันแล้วไม่ปฏิวัติธรรมต้องไปต้องเหมาะเจริาการทำงานทำการ ตัวรู้สึกตัวนะสร้างขึ้นมามันไม่ใช่ความรู้อางเดียวมันพัฒนาไปเห็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นธรรมวินัยธรรมวินัยก็กลายมาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญากลายมาเป็นสติกลายมาเป็นหนึ่งเดียวเป็นมากเป็นผลอุดชงกายอย่างปริมุขขังผู้มีสติเป็นนาโลกเหมือนพระเขียนสุขผู้มีสติเป็นวินัย วิเคราะห์นรกก็คือพระอรหันต์มีสติเป็นวินยัยอา้าวพระอรหันต์ไม่มีอะไรเลยมีสติเป็นวินยัยมีสติเป็นหน้าโลกอ๋อสติเนี่ยมันทําให้เกิดพระอรหันต์ได้เลยก็พระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนั้นแต่เชื่อก็ได้จะไม่เชื่อก็ได้ทําดูก่อนก็ได้นะถ้ามันมีจริงๆอ่ะมีกิดดูกิดนะนะ่ะมีสติดูสตินะนะ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 มาพบหลวงพ่อเทียนก็ถือว่าถ้าจะเรียกว่าโชคหรือจะเรียกว่าอะไรแต่โชคก็เป็นสมุด้จจะเรียกว่าโอกาสโอกาสเหมาะมีโอกาสได้โอกาสได้พบใจเห็นหลวงพ่อเทียนโอ้ย เมื่อมองก่อนนานขดนนหัวลุกเคยเป็อย่างไงแต่ก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวนี่เป็นยังไงขนหัวลุกหัวนคนม่วนเฉลดออกจากปากความสกปุกออกไปมันก็สะเอ็ดสียเอียนนะความบริสุทธิ์เกิดขึ้น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 ทำลายความหลงหลงได้มีความรู้สึกตัวได้บรรลุธรรมนานเท่าไหร่ทั่วช่างสะบัดมูช่วงูแลบลิ้นได้บรรลุได้ตั้งแต่ทีแรกเลยการบรรลุธรรมขีมลงยังไม่ถาวรแต่ว่าได้ขีมลดพระธรรมได้กระแส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 วางมือลงก็รู้สึกถัวขว้วมือลงก็รููสึกถัว น, นี่และของกิ่งของกิงนะก็ขอท้าทายแบบนี้เอาคอเป็นประกันคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องเป็นปัจจัตตัางอยา่างนี้ไม่เช้อ้อนวอนต้องสัมผัสได้ด้วยตนเอง